เือเป็นบัญจัติที่ปฏิบัติตามแผนที่เต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละชั่วโมองแต่ละนาทีเต่ละวินาทีเรามีอาชีพเรามีหน้าที่ให้มีความให้มีศรัทธาต่อหน้าที่ต่อจิตวัดวิธีวัด เต่ละวินาทีเต่ละนาทีเต่ละชั่วโมงแตและเวลาเต่ละวันให้สมมำเสมอเมื่อมีศรัทธาปฏิบัติหน้าที่อยู่เนัองนิดต้องอะไก็ย่อมความสำเร็จตั้งใจไว้จริงใด พาะมีความสำเร็จในสิ่งนั้นในโลกนี้สิ่งที่เราจะต้องทำหนะ้าที่ที่เราต้องทำาหาว่ายากมีอยู่ในตัวเรารอบตัวเราเโอกาสที่ทำดีทุกลมไหวใจทุกสิ่งใด ผู้จึงไดทำารืงใดซึ่งเป็นทวารของชีวิของกายของอาจ่าใจของเรานีเป็นทวารแห่งการสร้างความดีและความชั่วสะดวกกัวอย่างอื่นล้วจึงไม่น่าจะจนเรื่องความดี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 โลกทั้งโลกอย่างพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลตัตถกิริยาประโยชน์ต่อโลกพุทธัจ้ิริยาประโยชน์ต่อธรรมยาตตถกิริยาประโยชน์ต่อญาต ทคนก็อยอดที่เกี่ยวข้องหนีมวพ้นนย่างรอตรวจน้ํอนอ า, านคนเช้าสดทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกมีภูมทั้งสามมีไหนกุมเนื้ทั้งสีมีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสีน่ขันกําลองเท่าเที่ยวอยู่ในพวกน้อยพวกใหญ่ นี่ผู้มีผู้คนต่อเราเช่นวิดามันตาโอปชาอาจ า, ารย์ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วกนก็มีพ่อมีแม่ให้เรามาอยู่ที่นี่คนอื่นก็เจียวข้องกับเราอยู่ ลูกชายของพ่อของแม่เขามาอยู่เป็นนักบวชลูกสาวของเขามาเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมน้องเขาถือขาผมพ่อชีบรนชีเหลืองๆขอนผมเวลาออกจากบ้านจากเดือนมาเจยวของโดยบ้านเรื่อนแล้วก็จะหวางใจเว็นที่พึ่งหวังพึ่ง ลูกชายเขาจะเป็นคนดีลูกสาวเขาจะเป็นคนดีเมื่อเราเป็นคนดีเขาก็มีความสุขเป็นผลกระทบทางที่จิตวิญญาณของอีกหลายหลายคนแล้วเราเองก็มีมีโจทย์มีนี่อย่างนี้ไม่ควรประมาทเกิดมามานั่งอยู่ที่ใดมาเกี่ยวข้อคนอื่นทั้งนั้น ช่วยเรามาทั้งนั้นเป็นตัวบุคคลเป็นคุณพ่อคุณแม่ร้ายคนยาติตาจุฬยารู้เสียกันไม่ได้แม่แถ่นอกจากนั้นกับแม่แถ่อากาศเราหัยใช้ชีวิตรอบที่เราอยู่ ยิ่งเพวกเราบริโภกจีวมรมนะนะนะิตรบาเจนาสนคิรณาเภชดของคนทั้งหลายเหล่าใดพห้เจได้ประโยชน์อยให้เป็นศูนย์เปล่าเหมือนขนหว่านพืชหวาเพื่อเช่นใดก็อยากได้พืชได้ผลเช่นนั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติกิจวัดวิธีวัดหน้าที่ปฏิบัติทำทำเอามวินนยแล้วก็ศูนเปล่าทั้งสองฝ่ายเราก็ศูนเปล่าคนอื่นก็ศูนเปล่าไม่ได้เล ย, เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อญาติต่อโรคต่อธรรมต่อภรษศาสนา เรายังเป็นโจทย์ที่จังฟ้องเราอยู่เดี๋ยวนี้เราทิ้งอะไรมาทิ้งลูกทิ้งเมียมาก็มีทิ้งงานทิ้งการมาทิ้งหน้าที่การงานมาว่าจะ ด, ดูแลไปช่วยเหลืออะไร เป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้สดลุ้งขึ้นมาเราจะมาเล่นมานอนที่นี่หรือมันนอนไม่ลงเล่นไม่ได้อาจจะเป็นบาปห้าที่สุดเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบโลกเอาเปรียบศาสนาเอาเปรียบญาติพี่น้องคนเดืินหลังชั่ววางหน้าชั่วดีอยู่ เราจะมาเล่น อ, อยู่ดีถูอเป็นไม่ได้เป็นบาปปัญกำจริงๆพ้ะตก ร, ระลกหนีมากถ้ายกเป็นเปรตวีมากโยกาดเห็นเจ้ตัวถึกโยกาดเกียรตการจริงบอกแบบเป็นโจทย์มันก็อยู่ไม่ได้ ตองพิาพากษาเรื่องนี้ให้ได้มันคุ้มค่าหรือ ย, ยืดตัวกลัมาลูกสาวของพ่อของแม่ลูกชายของพ่อของแม่คนนี้ไม่เสียค่าน้ำนมจะ ไ, ได้มีความคิดแบบนี้ออกมาจากไทยหัวใจเด็กๆสั ก, ก, กขั้นหนึ่งก็ยังดีจะได้คุ้มค่าแล้ะจะได้ทำหน้าที่ มีความดีสามารถจะเผ่เมตตาตดน้ำไบอย่างองอาจเปมีความดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นก็เป็นผล ก, กระทบต่อสิ่งอื่นตอบทั้งหลาทั้งป่วงเรามีความดีเหมือนกัเรามีน้ำใจมีความดีว่าออกไปทาง ว่าจะชิด อ, อกไปทางใจการกระทำทางายก็เป็นความดีไม่รู้จกหมดจกสิน้นเพราะมันเป็นบุญเป็นธรรมก็เกิดจากคนคนหนึ่งก็เป็นผู้กะระทบตกะารหลายหลายอย่างแล้วก้มข้าแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียหนีมาบวดทิ้งงานทิ้งการมาปวด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 หลัางงานของเราก็มีอย่างนี้หน้าที่ก็มีทุกโอกาสจากนี้ก็เหมาะแล้วเหมาะสมแล้วที่มีชีวิตอย่างนี้ไม่ต้องทํามหาชีนไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องทำอะไรก็มีสิทธิไปบินธบอร์ดไม่เป็นบาปเลย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 น่าก็สมควรแล้วอาจจะไม่สมกับชีวิตของเราโดยซัมบ่อยความดีเกิดจากกายจากวาจาจากใจของเราที่ได้ใช้ชีวิตมามันมากกว่าแล้วชีวิตของเราผิดผวามดีที่เกิดจากการจากใจของเราเป็นส่วนหลวมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นส่วนตัวเลยแสดงว่าเราเกินมามีชีวิต ชีวิตจากชีวิตของเรากล า, ายเป็นสิ่งส่วนรวม <c oughs> เห็น่งกระทบตัวจริงปะส่วนรวมนะความดีต่อชีวิตของเราที่รุกตนสอนตนมันก็คุ้มค่าถ้าเราไม่ได้มีชีวิตนี้สิขาแปรถ่ำเป็น การเลี้ยงชื้นเด่นชิตนมาแบบนี้มันก็ไม่มีใครรับประโยชน์อ้อสอหงัดงอใหคนกราบคนไหวได้รับทานสิ่งของได้ริ่งทมบาทได้คุ้มค่าเอ้าจุกดาเจจงขอคนอื่นที่เขาให้ยกมือไหว้ทั่วหัว นั่นเราจรึงพูดเลือกเวลาเขาใสยบาตรมันถึงหัวจใจของเราในว่าอะไรต่างๆมาจากเวลานั้นตามขีปติบทตาความนี้แลบบนั้นเราจึงรับบิณฑบาตรโดยกระลบ เมื่อเราเ็นทบาทและแกะเรารู้ตัวเป็นบาทเกิดอะไรที่นั่นขนาดนั่นใจของเราว่าอยงนี้คิดถึงไงอย่าถาปัจจัยังประวัติตมเมือนังทาธมะเมเวทังยะิด้ังมาอย่างว่าอย่างเค็ดล่างสร้างสรรออกมาจากใจ ผู้ให้ก็เป็นต่ธาตุผู้รับก็เป็นต่ธาตนเต็น ต, ตามเหตุปัจจัยอยู่นิดมาได้ไม่ไดไม้มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นธรรมเกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเวลาละเ บ, บินดบาตต้องว่ายถาปัจยังในใจตามหลักขีปฏิบัติที่อุปชาจานทร์สอนว่า เราสดวดไม่ประมาทแต่ถ้าไม่ไม่มีเ <c oughs> รืมดีเกิดขึ้นในขณะ น, น, นั้นก็ <c oughs> จะคิดเป็นอันอื่นไปเป็นความรูปเกิดขึ้นที่นั่นแล็นความยิดียินลายเกิด ข, ข, ขึ้นที่นั้นแยงกันได้มาเป็นเป็นถ้าบาดพานิชสินค้าขายะไรก็ม เป็นบาดเวียนเทียนที่ไหนแหล่งไหนกายเป็นมิจฉาชีพถี่รถีเกิดขึ้นมากมายถ้าใช้ชีวิตที่ผิดไม่รู้จักอาอยไม่ได้ฝึกตนสอนตนไม่มองตนไม่ดูแลตัวเองไม่แจ้ไขตัวเองก็ไม่รู้จักละอ้อยเลยเกิดความโลภเกิดเปรตขึ้นนาขึ้นแ น, นก็ศูญเปล่าไม่มีประโยชน์เลยเดิ ถาจงมีหน้าที่ตามทำไม่ไหนจงปฏิบัติตามทำไม่ไหนพระเจ้าตัดแค่นี้สอนเพื่อบวช ด, ดานจงเป็นพิชุมเมืองเถิดดานจงประพื่พิษธรรมตามไม่ทําไม่ไหนนั้นให้เป็นที่ทินทุกข์เถิดแล้วก็มีทางอยู่นี่ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเกิดขึ้นขณะที่ ใช้ากายใช้ใจเจ็บเอาเจ็บเอาความโกรธไม่เป็นธรรมอย่าไปถามความโกรธอย่าไปคิดถามความโกรธอย่าไปคิดตามความโลภความหลงผมหมอลู่จุกตัวก็ ม, มาลู่จุกตัวปฏิบรรัติตามทําำไว้ไหนมีอย่างนี้สมบัติได้อย่างนี้สนตนอย่างนี้ทุกโอกาสว่าใช้อยู่ในห้องเดียนเป็นชั่วโมงนาที แาจะไม่ต้องจนเลยนี่การศึกษาโ่างกายเอาใจเป็นตู้พระไตรปิฎกตังไม่ไหนอยู่ที่นี่เกิดขึ้นดีกาที่ใจนี่วนก็เกิดขึ้นที่สวรรค์นิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่เรื่อเอาปันนั่นแหละ ว, วางเสียงทุกเสียงเหมือนฉั่งผ้าสวดมนต์ ดูคนทุกคนเป็นพริที่เจ้าอยู่ที่ไหนมีนี่พคารอยู่ที่นั่นสร้างสิวัดรองไม่เกิดิเหล่าอย่างสม่เสมออย่าไปจนอย่าไปจนเป็นผู้ไม่จนมีศรัทธามีความเชื่อในการอุบัติขึ้นพระเจ้า เชื่อในพระธรมที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบอดจอกทุกปฏิบัติสมควรเอื้อตออกมาจากชีวิตเรานี่แสดงออกมานี่เรามีหน้าที่อย่างนี้ออกให้เต็มที่แล้วอยู่ก็ด้วยกันให้มีความสามสนุนมีส่วนรวมส่วนร่วมซึ่งกันและกันอย่าคิดเป็นอื่นไปชะ แม่เราอยู่คนที่มีกติที่อยู่ห่างไกลกันเห็นกันเวลาทําวัดสวดมนต์เวลาฉันเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไปคนอาทิตละทางเดี๋ยวนี่เพื่อนกำลัง เ, เพื่อนเรากําลังเดินอยู่ยองโกมอยู่เพื่อนเรากำลัง น, นั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่เราอยู่อย่างไรมองในแง่ดีมองเป็นคู่แข็ง เอาชิงวันล้อมเอาเพื่อมิตรเผื่อผู้เผื่อบิบบ้างทำเผื่อผู้อื่นบ้างพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้ทำอย่างเราล้วก็ทำเผื่อพ่อเผื่อแม่โตเผื่อผู้อื่นมีเดียนานจา ก, การที่เราจะต้องสร้างความดี ยิ่งเรามีวิชากรรมฐานตามที่พเจ้าได้ขีดเส้นไว้เป็นแผนที่ไม่จนเลยกรรมฐานเป็นอาชีพเลยให้การให้ใจอยู่ในรูปกรรมฐานเป็นนักกรรมฐานทำอาหารก็เป็นกรรมฐานมองหน้ามองช่วนในกรรมฐานนอนเป็นกรรมฐานตื่นเป็นกรรมฐานใช่ชีวิตเป็นแนกรรมฐาน ทุกเวลานาทีแม่บ้านกรรมฐานพ่อบ้านกรรมฐานกเกษตรกรรมฐานอะไรให้เป็นกรรมฐานที่ตั้งา ก, การทำมันความดีความดีมีที่ตั้งให้เกิดความดีมีที่ตั้งไม่ให้จนนี่มันก็เป็นค่าของมนุษย์ที่เราที่เกิดมาเวลาก็เป็นประโยชน์ต่อเราตรงนั้น เออเว้นขวัยนี่ศรัทธาอย่าท้อถอยบากบันบากบันมาเช้เหงื่อนไหลใครย้อยบันหลงง่ายหลงนี่ความบากบันความเกล็นก้านี่คือความเพียนบรรทุกไม่ทุกู้จักตัวทุกโอกาสนี่คือความเกล่นก้าความเข้มแข็งความศรัทธาความบากบันอ้อบอกให้หลงเป็นหลงขี้เกียจเป็นขี้เกียจทุกเป็นทุกเกลิดเป็นเกลิด มันไม่บกบันมันเป็นความเกียดข้านปฏิบัติอย่างเร็วได้ผลอย่างเร็วไม่ได้เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีหือความไม่ดีก็อยู่ในชีวิตเราตลอดจนตายถ้าเราเปลี่ยนมันทุกข้างทุกขานแล้วเกิดความดีในชีวิตเราในปัจจุบันนี้ได้มากได้ผลในชาติปัจจุบันนี้เวลานี่ อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเอาให้ปั่นนั่นยึดของเรามีสิทธิในเรื่องนี้ 100% ยเอร์ชันเอาไหมเธอเนี่ยเนาะสมควรใจเวลา